นัยะสมุทฐานโดยพิสดารนในเนติปกรณ์หน้าหนึ่งร้อยสามสิบสามข้อ7จสิบ้านัยะสมุทฐานเป็นไนทั่วในครั้งหนึ่งว่านันทิยาวัตนายนนั้นมีมูลบทอยู่สี่มูลมูลบทสี่มูลนี้แบ่งเป็นสังกิเลสสองโวทานโวทานคือความหมดจดอีกสอง 2. สังกิเล ส, สองคืออะไรคืออวิชาและภวะตันหายกข้อความในอนัมะตะค่าสั่งยุศว่าขอบเขตคือเบื้องต้นแห่งอวิชาและภวะตันหาย่อมไม่ปรากฏนะไม่ไม่เคยทราบไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่าอาวิชากับภวะตันหาเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้ากระตังคำถามว่าเรานี้ มีวิชามีภวะตัญหามาตั้งแต่กลับไหนกี่กลับแล้วกียรสงไข่ยแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนตั้งแต่สมัยไหนบอกว่าไม่มีเบื้องต้นหรอกไม่ต้องตามไปให้มันเสียเวลาอะไรขนาดนั้นหรอกสรุปว่ามันมีมานานแล้วนะคือก่อนหน้านี้มาแต่ไหนแต่ไรมาเราก็ไม่เคยมีวิชาเลยไม่เคยมีอริยมรรคเลย ความที่เราไม่เคยมีอริยมรรมาเลยนั่นแหละเรียกว่าเรามีอวิชชาขณะเดียวกันเราทั้งหลายโดยมากก็ไม่ไม่อิ่มในภพใช่ไหมไม่รู้สึกว่าอิ่มไม่รู้สึกว่าพอในภพก็เลยมีแต่ความต้องการภพอยู่เรื่อยอริยสัจก็ไม่เคยแทงตลอดภพทั้งหลายก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอพระองค์ก็เลยตรัสว่าขอบเขตเบื้องต้นแห่งอวิชชาและพวะตัญหาย่อมไม่ปรากฏ บัรหาอาวิชาและภาวะตันหาเหล่านั้นอวิชาเป็นนิวรณตันหาเป็นสังโยชน์อวิชาเป็นนิวรหมายคือว่าเครื่องกั้นกั้นไม่ให้จิตเป็นตายกุศลให้ไม่รู้วิธีเจริญกุศลอวิชาเนี่ยเป็นตัวให้ไม่เจริญกุศลให้เจริญอกกุศลปกปิดไม่ให้กุศลเจริญเปิดเผยให้เจริญอกกุศล ให้จิตเป็นไปแต่กับบาปและอกุศลส่วนตัญหาเป็นสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องคล้องคล้ายๆกับพวกโซ่พวกตรวนทั้งหลายแต่ว่าโซ่อันนี้ผูกหย่อนๆแต่กระชากได้ยากว่างั้นเพราะว่าถูกผูกเหมือนไม่ถูกผูกอ่ะนะอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นตันหาเป็นเครื่องร้อยรัด สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นประกอบด้วยอวิชชาย่อมเที่ยวไปในอารมณ์ฝ่ายอาวิชชาคือหมายความว่าในแต่ละอารมณ์ที่รับรู้ในแต่ละทวารที่รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะเนสรณะของแต่ละอารมณ์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอารมณ์ที่เราเห็นเหตุเกิดเท่าไหร่มีความดับเท่าไหร่ มีอาสาธะอย่างไรมีอาทีนวะอย่างไรแล้วก็สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรไม่เคยรู้เลยอันนี้และเป็นลักษณะของอวิชชาในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านั้นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเราก็ไม่รอบรู้สิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงไอการที่ท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ตามเป็นจริงเลยไม่ยังถึงสิ่งนั้นโดยสัจจะเลยอย่างนี้เรียกว่า อวิชชาฉนั้นผู้ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันก็มักจะท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ตัวเองมีอวิชชานัา่นแหละสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อยู่นั่นแหละบรรสัต ท, ที่ท่องเที่ยวไปด้วยอวิชชาสัตว์เหล่านั้นเป็นพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตก็คือพวกที่ท่องเที่ยวไปในความมืดท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไอ้ไม่รู้ไม่ว่าแล้วก็มีรู้กลับที่มันรู้ซะอีก แคว่ารู้อะไรที่มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงโดยมากโดยเสมอพวกทิ่ติจริตเนี่ยพวกนี้จะรู้อะไรก็ตามที่มันตรงกันข้ามกับความจริงคำว่ า, าวิชานี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าหลับอะไรเลยนะมันรู้เหมือนกันแต่มันรู้ตรงกันข้ามกับวิชารู้ด้วยอำนาจของอวิชาเช่นขณะที่รู้ด้วยอำนาจความ ความโลภความโกรธความหลงรู้ด้วยอํานาจบาปอากุศลขนาดนั้นก็รู้แต่รู้ด้วยอํานาจของบาปและอกุศลบากรู้ด้วยอํานาจของอวิชชามันพวกพวกไหนที่มากไปด้วยวิชาพวกนั้นเป็นพวกทิฏฐิเชตมีความประพฤติพ้องเที่ยวไปด้วยอํานาจของอวิชชาสัตว์ทั้งหลายผู้มีตัณหาเป็นสังโยชน์เครื่องร้อยรัดประกอบไว้ด้วยตัณหา <necessary. S 2> ย่อม ท, sk, ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ฝ่ายตันหาสัตว์เหล่านั้นท่านเรียกว่าตันหาจริตพวกตันหาจริตเนี่ยนะโดยมากท่องเที่ยวไปในปีรูปสาตรรูปท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่ตัวเองปรารถนาเที่ยวไปในอารมณ์ที่ตัวเองฝักฝ่ายเที่ยวไปในสิ่งที่ตัวเองพอใจการท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาใครพอใจอันนี้แหละเรียกว่าตันหาจริต คือใช้ชีวิตโดยมากเป็นไปตามอำนาจของความพอใจสแสวงหาแต่สิ่งที่ตัวเองพอใจบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตทั้งหลายเนี่ยนะถ้าบวชภายนอกศาสนานี้ย่อมเป็นผู้พยายามประพฤติอัตตะกิละมัทฐานุโยคยู่ถ้าเข้ามีความบวชนะเขาจะเป็นพวกอัตตะกิละมัทฐานุโยก พวกนี้จะประกอบความพัวพันทำตนให้ลำบากสมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยที่มากมากจริงไม่น่าเชื่อนะพวกฤาษีที่บวชทรมานตัวนี่มีเป็นล้านนะข้ามาแทบไม่อยากเชื่อเลยมันมากจริงๆเลยนะมากขนาดว่าโอ้ประชมมหากรรมที่มันยิ่งใหญ่ตอนไหนรู้ไหมตอนที่เข้ามาประชมไอกระกุมพามล่านะ ที่ที่สมัยเข้ามาประเพณีอาบน้ําล้างบาปมีอยู่ช่วงหนึ่งนะจะมาประชุมกันเนี่ยนะเขาบอกว่าในงานเทศกาลอันนั้นเนี่ยคนที่มาประชุมกันอาจจะไม่น้อยกว่าประเทศไทยสักเท่าไหร่นี่นะมากขนาดนั้นนะคืออินเดียนี่ประชากรพันกว่าล้านใช่ไหมพันกว่าล้านมาประชุมกัน4ี่ห้าสิบล้านก็ถือว่าไม่มากนะักนะแต่มาประชุมกันขนาดนั้นรัศมีเท่าไหร่นะอนาบริเวณเนี่ยสี่รอยกิโลเมตร น, นะ เรียกว่าสถานที่ที่คนมาอยู่ประชุมกันเนี่ย400กิโเมตรเนี่ยเท่าไหร่ดีนะรัศมีนี่ใหญ่มากเลยนะกินพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งหมดอะที่มารวมกันนะใช่ใหญ่มากก็บอกว่าในนั้นมีประปามีรถไฟมีอะไรใช้หมดเลยน ะ, ะเพื่อเพื่อที่จะเตรียมงานต้องอใช้รัฐบาลนี่มาเตรียมเพื่อจะให้กลุ่มพวกฤาษีเหล่านี้มาอาบน้ําชําระบาปแล้วก็มีประชาชนผู้นัก สแสวงบุญนะนะไปเที่ยวสแสวงบุญกับพวกฤาษีเหล่านี้พวกนี้ถ้าบวชภายนอกศาสนานี้โดยมากพวกพวกนักบวชทั้งหลายนี่แหละกลุ่มเหล่านั้นเรียกว่ากลุ่มอัตตะกีรมัถานุโยคพวกทําตนให้ลําบากพวกที่ทาตัวให้ลําบากเพราะฉะนั้นพวกนี้มีวิธีการสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองโดยประการต่างๆและเป็นที่ยินดีของประชาชนมีพวกที่เลื่อมใสเนี่ยเลื่อมสายมากแล้วพวกนี้ก็ทําอะไรที่มันวิจิต วิจิตแล้วประชาชนยิ่งเห็นยิ่งดูแล้วก็ยิ่งเริ่มใสเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยนะก็ยังมีขันวางไว้ข้างหน้าเพื่อขอทานอีกอยู่ดีนะฮะส่วนบุคคลผู้เป็นตัญหาจริตทั้งหลายบวชภายนอกาศาสนานี้ย่อมเป็นผู้พยายามประพฤติการมมสุขันลิกานุโยกในการ ม, มาคุณทั้งหลายอยู่ ถ้าพวกที่เป็นตันหาจริตพวกนี้บวชเพื่อสแสวงหาความสุขอย่างเดียวบวชเพื่อสแสวงหาความสุขบวชเพื่อตกแต่งบำรุงบำเรอพยายามที่จะให้ตัวเองได้รับความสุขปลนเปลอตัวเองให้อยู่กับความสุขที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้บางพวกบางพวกที่เป็นกลุ่มการมสุขคลิกานุโยคเรียเต็มไปได้วยความหลอกลวงเป็นต้ น, อ, น, นอะไรเป็นเหตุแห่งการประพฤติของบุคคลเหล่านั้น อะไรเนอเป็นสาเหตุให้พวกทิติจริตบวชมาแล้วประพฤตินตนเป็นอัตตะกิลามัานุโยกอะไรเป็นเหตุให้บุคคลผู้เป็นตันหาจริตทั้งหลายบวชมาแล้วประพฤติเป็นการมัศุขลิกานุโยคเพราะอะไรการกําหนดสัจจะไม่มีภายนอกจากศาสนานี้อัตตกิลามถานุโยคพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นส่วนสุดอันหนึ่งใช่ไหมการมสุขลิกานุโยค ก, ก็เป็นส่วนสุดอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นพวกนี้โดยมากก็ประพฤติแบบส่วนสุดที่ต้องประพฤติแบบส่วนสุดเพราะไม่มีมัชชิมาปฏิปทาเมื่อไม่มีมัชชิมาปฏิปทาจึงไม่มีการกาหนดสัจจะวัฏฐานะการกาหนดสัจจะไม่มีอยู่ภายนอกศาสนานี้กาหนดว่าทุกกาหนดว่าสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยไม่มีการแสดงสัจจะเ ความเป็นผู้ฉลาดในสมถาวิปัสนาการบรรลุสุขคือความสงบกิเลสจะมีมาจากไหนเรียกว่าอาริยสัจเขายังไม่ได้ยินเลยวิธีการกำหนดสัจจะก็ไม่ได้ยินเลยแล้วการแสดงเอาสัจจะมาแสดงความเป็นผู้ฉลาดในสมถาวิปัสนาที่เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุสัจจะความสงบกิเลสเช่นพระนิพพานเนี่ยจะมีมาจากไหน เพราะฉะนั้นกิจแห่งอริยสัจ ท, ทั้งหลายไม่มีภายนอกในจากศาสนานี้ถ้าพูดแบบโบราณเล ย, เยจริงหรือเนี่ยนะถ้าพูดแบบสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันมันถึงกันทั่วโลกนะนี่จะเห็นชัดเลยว่าข้อปฏิบัติภายนอกพระพุทธศาสนานเราไม่มีข้อปฏิบัติใดที่สอนในการกำหนดรอบรู้อุปาทานขันหัสหรือการกาหนดโดยอริยสัจเลย ท่าว่าวิชาในโลกสมัยใหม่เนี่ยนะทำวิจัยอะไรมากมายไปหมดแต่การวิจัยเหล่านั้นเพื่อแทงตลอดสัจจะไหมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภายนอกศาสนาหรือพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็กําหนดรูรปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอะไรเป็นความต่างกัน เขาก็ทำวิจัยเรื่องรูปเนเขาก็วิจัยเรื่องเวทนาวิจัยเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณเขาก็ทำการวิจัยในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันอะไรเป็นความแตกต่างกันระหว่างการวิจัยเหล่านั้นกับของพระพุทธศาสนาการวิจัยของบุคคลภายนอกโดยมากเพื่อเสริมวิปลาสเกือบทั้งหมดเลยเป็นการวิจัยรูปการวิจัยรูปเนี่ยนะวันก่อน เขาคุยกันถึงวิธีการดองศพนะพวกนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์มันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมีความสามารถดองศพให้ศพอยู่สวยสภาพสวยเด็กอายุสองปีถูกดองแล้วถูกดองมา80บปีแล้วดูสวยเหมือนกับเหมือนกับเพิ่งตายนักวิทยาศาสตร์หลายคนแม่ฉันอยากจะดองศพให้ศพเนี่ยเป็นอย่างนี้มาก มันเป็นความฝันอันสูงสุดของนักดองศพเขาบงั้นออที่เพื่อที่นึกว่าจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวัตตานะที่ไหนได้อยากจะเป็นนักดองศพที่สวยเท่ากับศพเด็กคนนี้80ปีแล้วเอเด็กคนนี้เหมือนกับเพิ่งตายไม่กี่วันนี้เองอยากให้เป็นนักดองศพขนาดนั้นทั้งๆ ท, ที่อยู่กับศพมากมายเนี่ยนะไอ้ศพที่ตายแล้วเน่าเละเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่พูดถึงอะ่ะไอ้เด็กศพเนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้ แม่อยากจะฝากผลงานอันนี้ไว้เลอกเกินเพรานั้นนักดองศพคนหนึ่งเขาพูดนะทานเขาเขาอยู่คลุกเคลียกับกายก็เหมือนการแตนมุ่งไปเพื่อที่จะวิปลาสในกายเขาน้อมไปเพื่อจะวิปลาสในในอะไรในรูปในขันท์ท่าะนอกศาสนากับในพระพุทธาศาสนาเบื้องต้นดูคล้ายกันแต่จบแล้วไม่เหมือนกันเพราะภายนอกศาสนามุ่งส่งเสริมวิปลาส แต่พระพุทธศาสนามุ่งละคลายวิปลาสมุ่งกำจัดวิปลาสเพราะมองเห็นว่านี้เป็นทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เขาจะมองทุกอย่างโดยสัจจะสี่ประการแต่ภายนอสัสนาไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะรู้ความเป็นปฏิกูลอยู่แต่น้อมเพื่อทํายังไงก็ได้ให้สิ่งที่ปฏิกูลนี่มีความงาม นนก็เรียกว่าสร้างความงามขึ้นได้ในสิ่งที่ปฏิกูลเป็นต้นเนี่ยนะะซึ่งที่สุดจุดจบจะไม่เหมือนกันการวิจัยในพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมสมถะและวิปัสสนาการวิจัยภายนอกศาสนาเพื่อเพิ่มวิปลาดนั่นคือความแตกต่างกันเนี่ยนะนะการวิจัยในพระศาสนามุ่งกำจัดราคะโทสะโมหะการวิจัยภายนอกศาสนาเพื่อเสริมราคะโทสะและ โมหะเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นเมื่อไม่รู้จักสุขคือความสงบกิเลสเมื่อไม่รู้จักพระนิพพานที่เป็นสุขที่แท้จริงก็เป็นผู้ที่มีความคิดคลาดเคลื่อนเมื่อไม่รู้จักนิโรสัจจะเมื่อเขาไม่รู้จักนิโรสัจจะเขาจะเข้าใจยังไงในทุกขสัจจะเขาก็จะมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนวิปริตในสุขสัจจะอย่างนี้ว่า นนะเมื่อไม่รู้จักพระนิพพานไม่รู้จักข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานเขาก็มาพูดว่าความสุขย่อมไม่มีด้วยความสุขแต่บุคคลถึงบรรลคุความสุขได้ด้วยความทุกข์พวกนี้คือกลุ่มไหนกลุ่มอตตกิระมัานุโยกเขาก็พูดเหตุผลดีนะเขาบอกว่าพระราชาเนี่ยนะที่พระองค์จะสวยสุขได้อะไรได้เนื่องจากว่าพระองค์เหนื่อยมาก่อน โปรงเหนื่อยมาก่อนพระองค์ลำบากมาก่อนพระองค์สู้รบมาก่อนท้ายที่สุดพระองค์จึงได้รับความสุขสเสวยสุขในการครองราชเพราะฉะนั้นหลักการมีอยู่ว่าบุคคลจะถึงความสุขได้ก็ต้องทำให้ตัวเองทุกข์ก่อ น, น, นถ้าใครทำให้ตัวเองทุกข์เท่าไหร่เป็นการชดใช้บา ป, ปรกรรมถ้าเราทุกข์เท่าไหร่นะเราก็ใช้บาปไปเท่านั้นเมื่อเราใช้บาปเสร็จเราก็จะถึงซึ่งความสุข เ, ออเขามีนะลัทธินี้ พระพุทธเจ้าก็เลยไปเลยเออท่านมีความเห็นว่าท่านจะเข้าถึงความสุขได้ด้วยความทุกข์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าไปถามเดียรทีพวกนั้นกําลังโอ้ยทําตัวอย่างทุกข์เครียดเรียกว่าแบบเพี้ยมเกรียมมากเลยนะเดือดร้อนเร่าร้อนมากบอกใช่บุคคลจะพึงเข้าถึงความสุขได้ก็ต้องสวยทุกข์มาก่อนเออแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านชดใช้กรรมไปเท่าไหร่แล้วคือเรียกว่าไ อ, ไอ้ทุกข์มากๆเนี่ยเพื่อจะใช้กรรมเก่า เราก็ไม่ทํากรรมใหม่บอกเออแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านใช้กรรมไปเท่าไหร่บอกไม่รู้เอาแล้วกรรมของท่านมีเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้บอกโอ้ทําทุกอย่างเนี่ยแต่รู้ว่าทุกเนี่ยทุกแน่แต่เมื่อตัวเองทําสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองถึงที่สุดแล้วตัวเองจะประสบความสุขบุญบาปที่ตัวเองบาปที่ตัวเองใช้ไปเท่าไหร่ยังเหลือเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าจะต้องทําให้มันทุกให้ถึงที่สุดเมื่อฉันทุกข์ถึงที่สุด ฉันก็จะได้รับความสุขนะพวนี้ก็จะน้อมไปเพื่อประพฤติอัตตะกีละมาถานโยกสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกความยากความลำบากให้แก่ตัวเองพวกนี้มุ่งเบียดเบียนรูปทั้งหลายนะเช่นให้อาหารแต่น้อยก็พออยู่ในอิริยาบทที่อิริยาบทเดียวเนี่ยนะนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะพวกนนี้ก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอาหารบ้างเบียดเบียน ด, ด้วย อิรยาบดบ้างบางคนก็ยกมือชี้ฟ้าซะจนมือลีบหมดเลยนะก็ทาโดยประการต่างๆนะหาอะไรมาถ่วงอวัยวะเพศนะนะอิดหลายๆกิโลเนี่ยมาถ่วงอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลือดร้อนโดยประการต่างๆอันนี้กลุ่มที่หนึ่งมีความเห็นวิปริตวิปลาดคลาดเคลื่อนเขาเข้าใจว่าบุคคลจะได้รับความสุขได้ก็ต้องเมื่อถึงความทุกข์หมายาว่าอยู่ด้วยความทุกข์แล้วจะถึงความสุข ส่วนกลุ่มที่สองก็บอกกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลใดเสพการมบุคคลนั้นย่อมอยั่งโลกให้เจริญบุคคลใดย่อมอยั่งโลกให้เจริญบุคคลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากพวกนี้จึงสรนเสริญการสร้างวัตตะอย่างเดียวสแสวงหาความสุขแบบสุดๆเท่าที่จะมีอยู่เพราะพวกนี้เขาถือว่าการทําแบบนี้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายทุกคนก็จะได้รับแต่ความสุขความสบายบำรุงบำเรอปรนเปรยตามที่ตัวเอง ต้องการทุกประการเนี่ยนะพวกนี้ก็เมาไม่ค่อยสั่งนะพวกนี้มีความสุขอยู่กับการดื่มเหล่าการเมาเพราะว่าที่สุดของการมคุณจะไปไหนการดืม่มการกินในที่สุดก็กลับไปดืม่มสุราและเมรยัยสรุว่าพวกนี้มีความสุขกับอะไรนะการเมสุมิชาจานมุสาวาสแล้วก็ดื่มสุราและเมรยัยไอของที่จะมาบำรุงบำเรอการเมสุมิชาจานมาบำรุงบำเรอสุราเมรัยมาจากไหนก็มาจาก บางพวกก็ไปทําอาทินาฐานมาบางพวกก็ไปทําปานาติบาตมาชีวิตก็หมกมุ่นเกลือนกลัวด้วยการ ล, ล่วงเวร5ประการเนี่ยนะสร้างแต่เวรให้ประหประการให้กับตัวเองคือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการพูดเท็จและเดิมสุรามีไรเนี่ยนะพวกนี้ก็คิดว่าเมื่อตัวเองไปทําความชั่วเหล่านั้นมาปรนเปรยชีวิตให้สุขที่สุดเท่าที่จะสุขได้พวกนี้พวกนี้ก็ถือว่านี่ดีคําว่าบุญก็คือมันดีอ่ะ ไอการยอมรับว่าใครที่บริบูรณ์เพียรพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้ดีเหลือเกินดีเหลือเกินนี่แหละเขาเชื่อว่าเนี่ยคือบุญอันะ น, น, นี่คือบุญของเขาพวกนี้ก็เลยสแสวงบุญคืเรียกว่าพวกสแสวงหาความสุขคือพวกที่พวกที่เสวยกรรมเนี่ยนะเขามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่มีความเห็นว่าไม่มีโทษกับกลุ่มที่เห็นว่ามีโทษนี่ะกลุ่มที่เห็นว่ามีโทษ อ่ะขอไปกลุ่มที่เห็นว่าไม่มีโทษบริโภคมกมุ่นแล้วดีอย่างเดียวพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นสมุทฐานเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตบุคคลเหล่านั้นมีความเข้าใจอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ตัวเข้าใจกับตัวเห็นเป็นอะไรแปลเป็นภาษาบาลีว่าทิฏฐิทิฏฐิทัศน์เขาเป็นอย่างนี้เมื่อมิจฉาทิฐิเขาเป็นอย่างนี้เข้า เขาก็เลยเป็นผู้ปรารถนาความสุขด้วยความทุกข์เข้าใจว่ากามทั้งหลายเป็นบุญบริบูรณ์ด้วยกามเนี่ยเป็นเป็นบุญเนี่ยสมัยนี้เขาก็ยกย่องใช่ไว่าใครบริโภคเพียบพร้อมไปด้วยกามบริโภคกามเรียกว่าคนมีบุญมากเห่านันก็ชื่นชมสรรเสริญอยู่นั่นแหละกลมแต่ว่ารวมๆแล้วผู้ปรารถนาความสุขด้วยความทุกข์อันนี้เป็น อัตตกีละมัฐานุโยคเข้าใจว่ากรรมทั้งหลายเป็นบุญพวกนี้เป็นการมมาัศุขัน ล, ลิกานุโยคจึงพยายามประพฤติอัตตะกิละมัฐานุโยคเพราะพวกนี้มีทิฏฐิว่าจะเข้าถึงความสุขด้วยความทุกข์และพยายามประพฤติการมสุขันลิกานุโยคเพราะคิดว่ากรรมเป็นบุญบุญเนี่ยนะแปลว่าไม่มีโทษเขาคิดว่ากรรมไม่มีโทษก็ชื่อว่านั่นก็เชื่อว่าเป็นบุญ บุคคลเหล่านั้นมีความเข้าใจดังกล่าวแล้วเป็นทิฏฐิไปแล้วเป็นความเห็นของเขาไปแล้วย่อมยังโรคคือกิเลสให้เจริญย่อมยังหัวฝีคือกิเลสให้เจริญย่อมยังลูกศรคือกิเลสให้เจริญท่านบาปอากอุด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเขาก็ย่อมสร้างแต่ความเศร้าหมองให้แก่ตัวเองนะโรค หัวฝีลูกศรคือบาปอคุสุลธรรมทั้งหลายความเศร้ามองทั้งหลายก็ทิมแทงบุคคลเหล่านั้นถูกโรคเสียดแทงถูกหัวฝีเบียดเบียนถูกลูกศอนแทงย่อมกระทําการผุดขึ้นและดำลงในนรกผุดขึ้นและมุดลงในนรกกันนะผุดขึ้นและมุดลงในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานผุดขึ้นและมุดลงในเปรตผุดขึ้นและมุดลงในอสุรกายสเสวยสิ่งที่ดีและเลว บางครั้งก็มีบ้างประสบสิ่งที่ดีแต่ว่าโดยมากก็สู่ที่เลวอันถ้าใครไปดูพวกไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวอะไรเนี่ยนะไปเห็นสัตว์ในอาบายเยอะๆเนี่ยจำไม่เลยว่าทบทวนว่าพวกนี้มาจากไหนรวมๆแล้วมาจากอัตตะกิละมัานุโยกมาจากกาลมาสุขั ล, ลิกานุโยคพื้นฐานเลยนะถ้าสาวสาวสาวสา ว, สาวแล้วพื้นฐานจากมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัย ให้ประพฤติอัตตะกิรสมาานุโยกบ้างให้ประพฤติกามสุขัลิกานุโยคบ้างยิ่งประพฤติเท่าไหร่กิเลสก็เจริญโรคคือกิเลสก็เบียดเบียนมากยิ่งขึ้นฝีคือกิเลสก็โตขึ้นลูกศรคือกิเลสก็ทิมมากขึ้นมากขึ้นนั้นถูกโรคกเสียดแทงถูกฝีเบียดเบียนถูกลูกศรทิมอยู่ก็เลยขุดขึ้นแล้วก็มุดลงในนรกกําเนิดเดริชานเปรตและอสุรกายนะ ไปดูปลาผุดนั่นเห็นนั่นโอ้โหเยอะจริงเมื่อก่อนก็บอกว่าแม้ที่ท่าท่าน้ําอะไรนะวัดเทวราชกุลชรเราก็ว่าเยอะแล้วนะไปที่วัดเฉลิมพระเกียรตอิอะไรวัดเฉลิมพระเกียรติที่นนทบุรีอีกนั่นก็ไม่ใช่น้อยเลย mm. คนไปเทอาคันละห้วัดละห้าสิกิโลไม่รู้จะเอยวัดละห้าสิบลูกลูกละยี่สกิโลเลยนะไม่รู้จะอิ่มบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะอิ่มอยู่ไม่กี่ตัวมันเยอะจริงๆ บริษัทอาบายเนี่ยมันเยอะผุดขึ้นผุดลงผุดลงผุดขึ้นอยู่นั่นแหละพวกนี้มาจากไหนสาวไปเถอะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เป็นนักสาวหน่อยอะนะมองเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุมองเหตุแล้วก็มุ่งไปหาผลต่อไปในอนาคตจะรู้เลยถ้าคิดตามคำสอนบ่อยๆเนี่ยนะเดรัจฉานเหล่านั้นมาจากไหนมาจากไหนก็มาจากนี่แหละมาจากอัตตกิลมาาัฐานุโยกมาจาก การมสุขัลิกานุโยกผู้ที่ปฏิบัติตามอัตตากิลมถานุโยกกามสุขัลิกานุโยกในที่สุดก็ไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหลายนั้นสัตว์ในอาบายเนี่ยมีมากนะนี่ก็ พ, พระพุทธเจ้าจึงแสดงสูตรแรกในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าบันปชิตหรือผู้ที่บวชก็ไม่ควรจะข้องแวะในส่วนสุดทั้งสองประการเพราะที่สุดของข้อปฏิบัติสองประการก็มุ่งไปสู่ อบายทุคติวินิบาศนรกเนี่ยนะข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งอัตตะกิรธรมถานุโยกการมาสุขคันลิกานุโยกตรงกันข้ามกับสัจจะหมดเลยเนี่ยนะสมัยใดที่เพียบพร้อมไปด้วยเบญจา ก, การมคุณสมัยนั้นอริยสัจเฟื่องฟูขึ้นไหมเนี่ยนะเฟื่องฟูขึ้นไหมในสมัยที่เพียรพร้อมด้วยเบญจา ก, การมคุณทุกคนประเสริฐแต่กรมมาสุขทั้งหลายเนี่ยสัจจะเฟื่องฟูไหมบอกไม่ ในสมัยใดที่สัตว์เต็มไปด้วยความเดือดร้อนความลําบากเนี่ยอริยศาส์เฟื่องฟูอีกไหมไม่พันโดยรวมๆแล้วในวัะทั้งหลายจะเมื่อใดก็ตามจะอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันความรู้ในอริยศสัส์ก็ไม่เฟื่องฟูอยู่ตามเดิมเพราะปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายมีความเข้าใจตรงกันข้ามกับอริยศาส์เสมอ